ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องกามทุกมากอย่างนี้โดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่9กันยายน2549ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เราลองมาฟังนาจากพระไตรปิฎกเล่มที่26สุมเมธาเถรีคาถาข้อที่474หัวข้อว่ากามทุกข์มากอย่างนี้ดูนะกามทุกข์มากยังไงก็มีพูดถึงว่าความอิ่มด้วยกามทั้งหลายไม่มีทั้งที่ยังไม่อิ่มด้วยกามก็เพราะ ก็พากันตายไปหมดเออฟังแล้วก็ขำๆก็จริงๆเราเคยได้ยินอะไรมาบ้าง อ, อ่ะความไม่อิ่มเนี่ยมีอะไรบ้างนะใครจําได้ไหม อ, อ่าไม่อิ่มในการนอนเหรอ อ, อ้าวแล้วอะไรอีกฮะ อ, อ่าไม่อิ่มไม่อิ่มใน อ, อ่ในการมาแลในเมตุน อ, อ้าวอะไรอีกฮะเออเ อ, อ้าว คืออย่างไ น, น้อยเนี่ยถามจริงๆเหร อ, อเราเรียกยังไงเวลาเรากินข้าวเนี่ยเราบอกว่าอิ่มเราเรียกยังไงถึงบอกว่าอิ่มกินไม่เข้าแล้วหรอือเรียกว่าอิ่ ม, มคืออิ่มเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างใช่ไหมคือหนึ่งเนี่ยที่ตะกี้พูดเนี่ยอันนี้คือทางกายเท่านั้นนะ คือทางกายเท่านั้นใช่ไหมล่ะกายเนี่ยคุณว่ามีวันอิ่ ม, มั้ยกายเนี่ยมีวันอิ่มไมฮะก็คุณเพิ่งบอกเมื่อกี้เนี่ย ก, กินจนเรียกว่ามันมันเอาไม่ลงแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าอิ่มสิใช่ไหมกายเนี่ยมันอิ่มแต่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต่อให้บางทีบางคนเนี่ยอาตารอยากจะถามว่าคุณอิ่มแล้วเนี่ยแต่คุณยังอยากจะกินอีกไหม คราวนี้นะมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับกายแล้วนะแต่มันเกี่ยวกับจิตจิตมันยังอยากอยู่เนี่ยยังอยากยังอยากจะกินอยากจะกินเพราะฉะนั้นนะ่ะที่ที่บางทีเนี่ยใช้คำว่าความอิ่มด้วยการทั้งหลายไม่มีอันนี้จริงๆแล้วหมายถึงจิตมันไม่ยอมอิ่มมันมีคำว่ากามีคำว่าราคะสองคำเนี้ย กางหนึ่งจริงเป็นตัวเป็นตัวตนเป็นกลางกามนี่แปลว่าความแะไความอยากความปรารถนาความใคร่ต่างๆพวกนี้นะมันเป็นกามแต่ถ้าราคะเนี่ยราคะมันแปลว่าความยินดีเออความยินดีในกามแต่แต่ราคาเนี่ยเป็นตัวยินดีเป็นตัวพอใจ หรือบางทีก็ใช้คําว่ากําหนัดกําหนัดเนี่ยแปลว่าความยินดีแปลว่าความพอใจแต่พอใจในอะไรในความอยากนี่แหละในความใคร่ก็ตามในความปรารถนาก็ตามเพราะจริงๆกามเนี่นะมันจะเป็นกลางๆนะคือมันเป็นปรารถนาถ้าใช้คําว่าปรารถนาหรือโลกๆ ก, ก็ใช้ความรักแหละใช่ไหมบางทีก็ใช้คําว่าความรักซึ่งอันนั้นอาจจะเน้นไปเรื่องแบบอะไรอะ่ะหนุ่มสาว ไปเรื่องเมทุนไปนเรื่องอะไรพวกนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะในอาหารการกินก็ก็เป็นการเป็นความไข่เป็นความปรารถนาเป็นความอยากได้เหมือนกันแต่บอกแล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยชอบเอาไปคิดใ น, ในเรื่องของการมาตัณหาแบบผู้ชายผู้หญิงจริงๆคําว่าตัณหานี่มันก็เป็นความทยานอยากตัณหาเนี่นะเออ มันก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องผู้ชายผู้หญิงนะเรื่องอื่นๆ่ะบางทีคุณอยากได้อะไรอ่ะอตู้เย็นพัดลมทีวีอะไรนะอยากอย่างอื่นอะเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรอื่นมันก็อยากเหมือนกันมันก็เป็นกรารหรือแม้แต่ละกี้เนี่ยที่พูดถึงเรื่องว่านอนน่ะถ้าไม่อิ่มในการนอนเนี่ยคุณว่าถ้าไม่อิ่มในการนอนเนี่ยแสดงว่านอนไม่ตื่นเลยสิ ใช่ไหม ถ, ถ้าไม่อิ่มในการนอนเนี่ยนอนไม่ตื่นเลยติดทั้งกันไม่ใช่มันก็ตื่นน่ะเอตื่นมาเสร็จใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ง่วงหรือว่าอะไรเดี๋ยวก็ข่อยอยากนอนอีกอไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีตื่นเลยนะแหมไม่อิ่มในการนอนก็คือโอ้โหนอนตะบีต้ตะบันอาตมาว่าตายอย่างกั้นนะ่ะไปไม่รอดหรอกขนาดเด็กอะเด็กเนี่ยเด็ก ทาร ก, กเด็กเล็กข้อตื่นเรรมะส่วนใหญ่จะนอนมากใช่ไหมแต่ยังไงมันก็ต้องตื่นไม่อิ่มไม่ได้หรอกถึงบอกว่าถ้าถ้าพูดเรื่องสรีระเรื่องตัวบุคคลอะไรพวกนี้มันต้องอิ่มไม่อิ่มไม่ได้เพราะไม่อิ่มมันก็ล้ น, นก็ล้นมันก็เกินอย่างเงี้ยถ้าเรากินไปแล้วมันมันไม่ลงแล้วเงี้ยขืนยังพยายามยัดใส่ปากคุณอีกเนี่ยอ้วกเท่านั้นเองแหละ มันไม่มีว่าไม่อิ่มหรอกถ้าทางกายแต่แต่ตนี้จิตนี่แหละเพราะฉะนั้นความหมายเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าจิตเนี่ยมันไม่ยอมมันไม่พอ ท, ท, ทั้งทที่บางทีคุณอิ่มจนคุณอ้วกล้ทางกายเนี่ยนะมันยังไม่ยอมเนยมันยังอยากจะกินอีกเพราะนั้นกินได้มันกินอีกนะเพราะอันนี้แหละที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นแม้ตายจากชาตินี้แล้วจิตวิญญาณมันก็ยังไม่อิ่มไม่พอ เพราะมันเกิดชาติหน้าฉันใดอะไรอีกก็อีกอยากอีกเนี่ยจะเรื่องกินมันมีเรื่องกามแล้วก็อะไรเรื่องกินแล้วก็เรื่องนอนสามอย่างนี้เรื่องกามเรื่องกินเรื่องกาผู้ชาผู้หญิงเนี่ยนะอ่าเรื่องเมถุนอ่ะเมทุนแล้วก็เรื่องกินเรื่องนอนที่เขาบอกว่าไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอ เพนหมายความว่าอย่างงี้นะคือคือพูดตอนต้นนี้ให้เข้าใจก่อนเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะบอกว่าเห็นหมทั้งที่ยังไม่อิ่มด้วยกามก็พากันตายไปหมดเนี่ยคือคื อ, คอแม้ตายแล้วเนี่ยมันยังไม่อิ่มเลยอะอาตมาถึงตะกี้เนี่ยพูดไปแล้วว่าตายแล้วก็ยังไม่อิ่มหรอกเพราะจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ยอมเหมือนกับเคยยกตัวอย่างคนอ้วนอะ ที่โอ้โหกินเท่าไหร่กินเท่าไหร่ เ, า, รเาก็ไม่พอกินจนกระทั่งบางทีไ อ, อ, อ้ร่างกายนี่มันเสียหมดแล้วนะคือมั น, ม, นมันอ้วนจนกระทั่งมันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วอ่ะก็ยังอยากกินอยากกินคือถ้ามีให้กินก็กินอีกมีให้กินก็กินอีกเพราะจิตเนี่ยมันไม่พอมันอยากอยู่ตลอดเวลาเพราะ ใ, ใครเนี่ยยิ่งไปติดยิ่งไปเสพยิ่งไปอยากอะไรมากๆ มันจะยิ่งอะไรอ่ะยิ่งพูดง่ายๆว่าก็ยิ่งต้องการมากๆอ่ะก็ยิ่งมีการมากนั่นเองคือยิ่งยิ่งอยากก็ยิ่งยิ่งอยากมากตามไปเท่านั้นคอนั้นก็ยิ่งหยุดไม่ได้เลยคราวนี้ไอ้กายเนี่ยบอกแล้วไอ้วัตถุเนี่ยเรียกว่าวัตถุการมนี่แหละกายก็เป็นวัตถุหนึ่งไอ้วัตถุเนี่ยมันมีที่สุดที่จบหรือมีพังมีพังหรือว่ามี ถ้าเป็นคนมีตายหรือถูชกก็มีท้องแตกแตจริงๆในพระไตรปิฎกไม่มี น, นะท้องแตกแต่เขาก็เล่ากันมาเป็นอัตถ า, าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เล่าว่ากิ น, น, ก น, นกินกินกินจนกระทั่งท้องแตกตายอันนั้นนะ่ะคือทางกายมันตายแต่จิตมันไม่ยอมจิตไม่ตายเพราะร่างกายเนี่ยตายไปแล้วแต่จิตมันยังอยากอยากอยากอยากอยู่นั่นแนะ หรือจะใช้สัมนวนว่าปู่สมเฝ้าทรัพย์คือคือคืออยากอันนั้นโลภสมบัตินะอยากอยากยังคงอยากได้เป็นเจ้าข้อเจ้าของยังคงอยากมีอยากเป็นของตัวเองเพนันตายไปแล้วมันก็ยังไม่ยอมเห็นไหมเขาบอกกับจิตวิญ ญ, ญาณมันมาเฝ้าสมบัติของตัวเองทั้งทั้งที่ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนจิตวิญ ญ, ญาณไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนหมายมันก็มันยังไปเฝ้าทรัพย์อยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันมาเฝ้าไม่ได้หรอก แต่เขาหมายความว่าก็ไอจิตวิญญาณนั่นน่ะมันยังอยากอยากได้สมบัตินั้นอยู่เพราะฉะนั้นไอความอยากได้เนี่ยแหละมันอยู่ในจิตวิญญาณของคนนั้นเพราะไอสมบัติต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วไอข้างนอกเนี่ยหอบผวงไว้ไม่ได้ทั้งนั้นน่ะตายไปแล้วคนอื่นก็เอาไปหมดแหละจะมารดกกี่มือล้านกี่แสนล้านอะไรก็แล้วแต่คนอื่นเอาไปหมดไม่มีวันหอบผวงเอาไว้ได้แต่จิตวิญญาณของคนนั้นเนี่ย มันไม่ยอมเสียมันไม่ยอมให้เพราะฉะนั้นมันยังอยู่ในจิตคนนั้นไอ้ทรัพย์สมบัติที่ที่จิตคนนั้นต้องการเนี่ยมันยังมันยังอยากเป็นเจ้าของอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เขาก็เปรียบว่าเหมือนกับปู่โสมเนี่ยมาเฝ้าทรัพย์แล้วต้องให้เป็นปู่ด้วยนะคือพูดง่ายๆว่าโอ้โหมันไม่ใช่เด็กไงไม่ใช่เด็กโสมแต่เป็นปู่โสมคือหมายถึงว่า ไอเด็กเนี่ยนะคุณจะยึดสมบัติยังไงคุณยึดไม่ค่อยได้หรอกแต่มันยึดตั้งแต่เด็กอะจนกระทั่งจนหนุ่มจนจนกระทั่งแกแก่แล้วมันยังไม่ยอมเลยมันก็ยิ่งยึดแล้วยิ่งแก่ก็คือยิ่งยึดมากเท่านั้นนหละวันจากเด็กไปจนแกเนี่ยที่ใช้ว่าปู่โสมเนี่ยมันหมายถึงการสะสมว่าอยู่ดีคนนั้นน่ะไม่ใช่ว่าจะมาใคร่มาอยากมาโลคพวกนี้ไม่ใช่อยู่ดีเกิดขึ้น แต่เกิดจากการสะสมสะสมสะสมสะสมความอยากฮอนคนที่บอกว่าไม่รู้จักอิ่มเนี่ย<ๆ>ก็เกิดจากการสะสมบ่อยๆทำยังไงฮอนใครยิ่งกินบ่อยๆใครยิ่งชอบกินบ่อยๆคนนั้นก็ยิ่งสะสมความอยากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะไม่รู้จักอิ่มแล้วจะไม่รู้จักพอนี่แหละถึงบอกว่า ทั้งที่ยังไม่อิ่มด้วยกามก็พากันตายไปหมดแล้วจริงๆนะถ้าจะพูดต่อไปนะในในที่นี้ไม่มีแต่ถ้าจะพูดต่อไปคือแม้ตายไปหมดแล้วจนเกิดใหม่ก็ยังไม่อิ่มแล้วจนเกิดใหม่แล้วจนตายอีกก็ยังไม่อิ่มเพราะฉะนั้นจะให้เลิอกอิ่มได้นี่คืออะไรคือจะให้พอได้เนี่ยคืออะไร คือต้องล้างที่จิตเพราะถ้าจิตรู้จักพอเมื่อไหร่ถึงจะจบได้ถึงจะรู้จักอิ่มได้เพราะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกนะเพราะจิตมันเป็นตัวสั่งใช่ไมจะกินมากแค่ไหนกินน้อยแค่ไหนจิตเป็นเป็นตัวบงการไอ้ร่างกา ย, ยมันเป็นตัวตอบสนองของจิตจิตสั่งยังไงก็ทําตามนั้นจิตอยากจะกินอีก มันก็สั่งเอา้าไปซื้อเอา้าไปหามาจะดึกดืนทีหนึ่งทีสองก็กินเพราะนั้นจิตมันก็สั่งเราจึงเรียกว่าพยาจิตราษาคือคือจิตนี่เป็นพระราช า, าเป็นเป็นราชาของร่างกายนี้เป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่นั่นเองเพราะ น, นั้นอันเนี้ยให้ให้เราเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ย คุณตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกยังไงก็ไม่จบมันก็วอนอยู่อย่างนั้นแหละนะเสร็จแล้วอะไรการนั้นคราวนี้เริ่มเปรียบนะนะการนั้นเปรียบดังคบเพลิงที่เผาอยู่เนืองเนืองอันนี้เป็นคำเปรียบอันแรกว่ากามเนี่ยเปรียบเหมือนกับอะไรเหมือนกับไฟไฟอะไรไฟราคะ ส่วนใหญ่เราใช้คําว่าไฟราคะทําไมเราไม่ใช้ว่าไฟกามเพราะกามเนี่ยมันเป็นตัวไฟเราเร า, เราจึงใช้คำว่าไฟราคะเพราะว่าราคะเนี่ยมันเป็นตัวจุดไฟทําให้เกิดกามเข้าใจไหมอันเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะกามเนี่ยคุณจะเสพต่อไปที่คุณไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเนี่ย มันเกิดจากความยินดีบอกว่าราคะคือความยินดีคือความพอใจฮวันตราบใดยังมีความยินดีมีความพอใจจึงจุดไฟราคะอยู่ตลอดจุดไฟให้ติดตลอดคือจุดกามเนี่ยให้ติดตลอดด้วยอะไรไฟไฟนี่จะติดได้ด้วยอะไรด้วยราคะเนี่ยมาจุดจุดแล้วติดขึ้นมาก็เป็นกาม เพราะนั้นขราวนี้เนี่ยที่เปรียบว่าตามนั้นเปรียบดังคบเพลิงที่เผาอยู่เนื่งเนือง<ๆ>ก็นี่แหละก็ถัาจุดแล้วติดขึ้นมาก็มันมีเชื้อใช่ไหมมันมีเชื้อมันก็ติดได้ตลอดวจชาท่านเปรียบเอาไว้เพราะนั้นถ้าจะให้ดับให้ไฟนี้ดับก็ต้องดับที่เออต้องทำเชื้อให้หมดเพราะถ้าตาบใดมีเชื้ออยู่ไฟก็ติดไปเรื่อยเพราะนั้นท่าน นั่นจึงเปรียบในที่นี้เนี่ยจึงเปรียบเอาไว้ว่าเหมือนกับไฟที่เผาอยู่ตลอดเวลาเนืองเดืองก็คือมันเผาอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันจบเพราะงั้นใครจะดับไฟนี่ก็ต้องดับที่ราคะให้ได้ดับที่ตัวความยินดีดับที่ตัวความพอใจเพราะฉะนั้นพูดอีกคำหนึ่งความยินดีความพอใจในกามเนี่ยเวลาเราจะดับเพรา้นใช้อะไรมาดับ ฮะก็ก็บอกแล้วมันจุดติดเพราะเพราะความยินดีเพราะความพอใจใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราจะดับไฟอันนี้ได้ดับด้วยอะไรอ่าเห็นโทษเห็นทุกข์หรือความไม่น่ายินดีซึ่งบางทีเราก็ใช้อสุภาษะความไม่สวยความไม่งามอะไรต่างๆนี่เนี่ยเราก็เลยใช้อสุภาษะ เพราะปกติคนชอบสวยชอบงามใช่ไหมชอบสวยชอบงามก็คือยินดีไงยินดีสวยงามของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะบางคนชอบดำดำสวยดีอ่บางคนเออเขาขาวสวยดีอ้าวอันนี้อันนี้ขึ้นอยู่ที่ที่ที่นิสัยของคนจริตของคนเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรู้ว่าอะไรเป็นความยินดีของตัวเองเพราะจะดับกรามนี้จะดับราคาเนี้ย เพราะต้องรู้ว่าเราไปยินดีเราไปพอใจอะไรอะ่ะเพราะจะดับก็คือดับตัวนั้นแหละให้มันไม่ยินดีให้ได้หรือเห็นทุกข์เห็นโทษให้ได้อย่าไปเห็นเป็นกา玛คุนคืออย่าไปเห็นเป็นคุณของกามจึงใช้คำว่ากา玛คุนอย่าไปเห็นเป็นคุณของกามคืออะไรโอ้โหที่ ท, ที่ที่ติดอาหารอันนี้เพราะโหมันหอมอย่างงี้ มันอร่อยอย่างนี้รสชาติมันเปรี้ยวหวานมันเผ็ดอย่างนี้นี่คือไปเห็นเป็นกามมาคุณคือไปเห็นคุณของกามเพราะะคุณจะละออกจากไออาหารชนิดนี้ได้เนี่ยคุณต้องเห็นอะไรกามาโทษให้ได้คุณต้องเห็นให้ได้เห็นเป็นเห็นกามมาทุกเห็อเห็นเห็นว่ามันมันตรงไหนล่ะที่ที่ที่มันเนี่ย มันเป็นทุกข์มันเป็นโทษมันเป็นภัยตรงไหนบ้างในในอาหารนั้นอะ่ะโหกินไปแล้วจุกโอ้โหยิ่งยิ่งชอบมากก็ยิ่งกินมากยิ่งจุกมากเอา้าแล้วอะไรอีกอ่าออันนั้นก็เคี้ยวแล้วคายออกมาดูสิว่าไอตอนแรกเราเห็นรูปมันสวยเออเราเห็นว่ามันเป็นอย่างงั้งอย่างนี้ใช่ไหมคายออกมาดูเพื่อที่จะดูที่สวยเหมือนเก่าปะ อันนี้อันนี้คือสลายเรื่องรูปรูปเอาใครเคยทำมั่งใครเคยทามั่งในที่นี้อ่าเห็นไหมมีบางคนเคยทำแล้วอ่อันนี้อันนี้ต้องฝึกเอาไว้นะควรฝึกไว้บ้างเคี้ยวเคี้ยวแล้วคลายออกมาดูบ้างแต่แต่ไม่ใช่อยู่ท่ามกลางสาธารณชนคลายออกมาดูนะอันนั้นระวังนะดูสถานที่ดูกาลาเทศะด้วย จะฝึกจะทำอะไรก็ต้องดูอ่นั่นแหละอันเนี้ยแหละดูเพื่อที่จะคลายจิตเราเพราะบางทีเราติดเราหลงตอนอยู่ในปากเนี่ยว่ามันอร่อยไงใช่ไหมคุณยินดีคุณพอใจแหมบางคนเคี้ยวเนี่ยโอ้โหเคี้ยวไปเนี่ยเคริมเลยนะหลับตาแล้วก็ดื่มดำเลยนะเคี้ยวไปโอ้โหเคริมเคริม้มเคริมดีนักเออกำลังว่าอร่อยเลยนะในปากคุณเนี่ยกำลังว่าอร่อยเลยเออคุณลองคลายดูมาสิ คลมาไว้ในมือเราเนี่ยแหละแล้วก็ดูซิว่าเออไอ้ที่เราว่าอร่อยอร่อยเนี่ยมันตรงไหนวะแล้วคือคุณจะเห็นความเป็นจริงไงว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่จิตคุณปรุงนั่นแหละจิตคุณปรุงให้มันอร่อยมันก็อร่อยแต่พอคลายออกมาบางทีคุณเห็นโอ้โหใหญ่ๆเละๆนะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อะคราวนี้อเพราะคุณสัมผัสด้วยตาใช่ไหมคราวนี้คุณโอ้โหนี่มันอัศวะแล้วอย่างนี้ มันน่ารังเกียจอ้าวคราวนี้ไอ้ที่คุณว่าอร่อยอร่อยเนี่ยรับรองเลยหดหายเลยแหละไอ้ที่อร่อยอร่อยก็ได้ถ้าคุณเก่งคุณปรองโดยไม่ต้องใครก็ได้ถ้าคุณเก่งแต่บางคนมันปรองไม่ได้เลยไงมันปรองไม่ขึ้นมันไม่เห็นอ่ะมันไม่เห็นมันนึกไม่ออกมันนึกยังไงก็ไม่ออกก็มันเคี้ยวอยู่เนี่ยมันอร่อยอ่ะมันนึกยังไงก็นึกว่าไม่อร่อย นึกยังไงก็มาหน้าดังเกียรติไม่ออกเลยคือคือจิตเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะจินตนาการไม่ขึ้นเลยเพราะบางทีมันก็ต้องให้เห็นมันถึงจะเออพอเห็นไปแล้วเออมันพอประทับไปในความทรงจำคราวนี้มันถึงจะพอจะระลึกได้อ๋ออเออเอมันเป็นอย่างนี้แล้วมันถึงจะขึ้นมาในจิตได้ไม่งั้นมันไม่ขึ้นเลยนะในจิตอ่าอันนี้นะ เปียดดังคบเพลิงที่เผาอยู่เนืเนืององ อ, อีกอย่างหนึ่งที่เปรียบกับคบเพลิงที่เผาอยู่ดนงเนืองก็คือความร้อนความเร่าร้อนบางทีเราบอกว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอะไรต่างๆจริงๆแล้วมันเป็นความเร่าร้อนหรือมันเป็นทุกข์นั่นเองมันไม่ใช่เป็นสุขมัน เ, เปรียบตรงนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาตมาบอกได้เลยว่าจินตนาการไม่ออกเลย เออเราลักใครชอบใครหรือเราติดใจพอใจอะไรเนี่ยคิดยังไงให้มันเป็นทุกข์เนี่ยมันคิดไม่ออกจริงๆริงมันคิดไม่ออกว่าเป็นทุกข์ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญคือมันนึกไม่ออกจริงจริงอ่ะอันนี้ตัวอย่างของจริงมีมาแล้วมันนึกไม่ออกเลยว่ามันเล่าร้อยังไงกินแล้วอร่อยดีอ่ะกินแล้วเป็นความสุขไม่เห็นมันจะเดือด เนื้อร้อนใจอะไรเลยคุณไม่เห็นว่าหน้าเดือดร้อนใจอะไรมันคิดไม่ออกมันจะทํำยังไงให้คุณคิดออกให้ได้มันก็เปรียบเนี่ยท่านก็เลยเปรียบนั้นก็เหมือนกับไฟเพื่อเรารู้ให้เราลองจินตนาการว่าเวลาเอาจุดเทียนก็ได้เสร็จแล้วนิ้วเราไปแย่ให้เทียนลนมือเราอย่าเงี้ยโอ้โหมันร้อนนะมันเจ็บแสบมันปวดแสบปวดร้อนเวลาโดนไฟเผาเงี้ย ใช่ไหมมันไหมมันอะไรอย่างนี้ต้องเอายามาทาเออเออเราพอนึกออกว่าเอยมันปวดแสบปวดร้อนมันเป็นยังไงแต่คุณไปรักใครคุณไปชอบกินอะไรคุณนึกปวดแสบปวดร้อนออกไหมล่ะคุณนึกได้ไหมว่าเวลาโดนไฟลนแล้วเป็นยังไงอ่านั่นแหละเพราะนั้นอันนี้ก็ท่านก็พยายามจะเปรียบเพื่อที่ให้เราเนี่ยนึกให้ได้หรือวิปัสสนานั่นเอง วิปัสนาเห็นความเป็นจริงให้ได้ถ้าใครใครวิปัสนาแล้วไม่ออกเนี่ยคนนั้นก็ยังบีอยู่แต่แง่เป็นสุขของกามถ้าตาใดนะคุณยังดึกไม่ออกนะ <c oughs> คุณคุณก็ยังฝังอยู่ไอ้แง่ความเป็นสุขของกามถ้าเป็นไฟก็เป็นไฟเย็นเป็นไฟนิออนเป็นไฟแบบ สบายสบายเออสว่างดีเนมันเหมืไม่ร้อนอะไรเนี่ยเออยังมาอ่านหนังสือมาทําอะไรได้อย่างเงี้ยคุณก็จะใช้ไอไฟนีออนอย่างนี้ไปตลอดเพราะคุณกลับรู้สึกว่ามันสุขสบายอะเออแต่ถ้าใช้ตะเกียงใช้เทียนไขโอ้โหมีทั้งเปลวไฟมีทั้งความร้อนมีทั้งควันมีทั้งอะไรใช่ไหมบางทีคุณโอ้โหมันต้องระวังไม่ไม่ระวังเดี๋ยวไหมบ้านไหมมุงไหมที่นอนไหมอะไรนะนั่นแหละมันจะระวังมากกว่ากัน ถ้าถ้าคุณเห็นได้ถึงทุกโทษภัยของมันนะนะอาเสร็จแล้วเปรียบอะไรอีกเปรียกการเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆพอจะรู้ว่าไม่เที่ยงพอจะรู้ว่าไม่ยั่งยืนแต่ไม่ยอมรับพอจะรู้นะแต่ไม่ยอมรับเพราะอะไรคราที้ย้อนกลับไปใหม่ยอมรับไม่ได้เพราะ พออยากมีความสุขอะแล้วก็ยังยึดอยู่ว่าการเป็นสุขเพราะฉะนั้นอยากจะให้เที่ยงคือใจอะมันอยากจะให้เที่ยงเพราะว่าเขาที่เขาคิดว่าอยากให้เที่ยงเพราะมันเป็นสุขจึงอยากให้เที่ยงมีแฟนก็อยากให้อยู่จนแก่เท่าจนตายชาติหน้าก็เจอกันอีกนะ <c oughs> เอ ไอ้ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ยนุ่มเพราะคนหนึ่งก็ไม้เท้าอีกคนก็กระบองนะนุ่มไปไม่ลอดหรอกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งไม่เที่ยงสองไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงเนี่ยก็คือแปรปลวนนะใช้อีกคำหนึ่งคือแปรปลวนง่ายอ่าส่วนไม่ยั่งยืนคือไม่ยาวนาน มันแปรปรวนแล้วก็ไม่ยาวนานด้วยนะคือแปรปรวนเนี่ยคือมันพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบนะเอาดอกมาเด็ดทีละกีบเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวชอบเอเอสวนดอกไม้อ่ะเหลือแต่ก้านหมดเลยดอกขายหมดชอบเอามาเด็ดอยู่นั่นแหละคือให้เห็นให้เห็นถึง แล้วก็ทำให้จิตคนเราเนี่ยก็เลยไม่หนักแน่นไม่มั่นคงเพราะอะไรอะไรมันมันไปขึ้นอยู่กับไอ้ความไม่แน่นอนไนยไปขึ้นอยู่อย่างเนี้ยไม่เคยฝึกตัดสินใจไม่เคยฝึกที่จะทำความชัดเจนให้กับตัวเองเพราะมันก็สับสนอยู่เรื่อยเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเออเดี๋ยวเจอดีไม่หรือว่าไม่เจอนั่นแหละเสร็จแล้วคุณจะเจอหรือไม่เจ อ, อยังไงก็แล้วแต่ ยังไงก็ไม่ยั่งยืนอยู่แล้วอย่างมากที่สุดแค่ไหนจะเจอกันได้อย่างมากที่สุดแค่ไหนแค่ไหนแค่มีมีชีวิตอยู่แค่นั้นแหละมากที่สุดคือแค่มีอายุยาวแค่ไหนก็แค่นั้นและในความจริงคืออายุก็ไม่เที่ยงใช่ไหมอายุก็ไม่เที่ยง บางคนอายุสั้นบางคนกําลังจะมาแต่งงานเนี่ยตายซะก่อนแต่งแล้วอ่าบางคนพอแต่งปุ๊บตายปับ๊บก็มีอ่ะในงานแต่งงานเนี่ยโอ้โหโดนมายิงตายทั้งคู่แต่งงานเลยนะก็มีหรือบางทีเพิ่งแต่งเพิ่งแต่งแล้วตายก็มีเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่เที่ยง มันไม่แน่นอนเลยหรือบางทีแต่งแล้วก็ทะเลาะกันแล้วแต่งกงวันนั้นแหละทะเลาะกันวันนั้นแหละลอนนละอะเพราะนั้นนี่คือลวนไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยไม่แน่นอนแล้วมันก็แปรปวนถ้าพูดตามภาษาง่ายๆคือแปรปวนตลอดเวลาจริงๆแม้ใครเนี่ยที่แต่งงานกันอยู่แล้วก็บอกว่าเป็นสามีภรรยากันได้ยาวนานไปถามดูจริงๆเหอะ ว่ารักเหมือนเดิมไหมว่ารักเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมหรอกหายากที่จะรักแล้วมากขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยหายากที่จะรักมากขึ้นไปเรื่อยๆโอ้คุณไปหาในโลกนี้ยากส่วนใหญ่เนี่ยแต่งไปนานเข้านานเข้ารักน้อยลงเรื่อยๆแต่อยู่กันด้วยอะไรอยู่กันด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหรือจารีตประเพณี อะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็อยู่กัเพ่ออย่างนั้นถ้าให้แบบว่าเอากิียสส่วนตัวนะยังอยากอยู่กันต่อไหมจริงๆไม่ลวอยากเลิกอยากแยกแต่แยกเพื่อไปหาใหม่นะไม่ใช่อยากเลิกอยากแยกเพื่อที่จะได้เป็นโสดอีกแล้วก็อยู่เป็นโสดไปตลอดไม่ใช่นะเพราะยังไม่อิ่มไม่พอถ้าตาบดาจิตวิ ญ, ญญาณยังไม่อิ่มไม่พอยอยากเลิกเพราะมันเบื่อ หน้าเดิมหม่อีกแล้วตื่นเช้าก็หน้าเก่าหมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นน่ะก็อยากเปลี่ยนหน้าใหม่มาเท่านั้นเองอืมก็หน้าใหม่อ่ะมันก็ใหม่ได้แค่วันเดียวแหละวันที่สองก็หน้าเก่าแหละออเพราะฉะนั้นอันนี้นะให้เรารู้นะว่าเนี่ยกามก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเสร็จแล้วก็อะไรมีทุกข์มาก เหมือนงูที่มีพิษ ะ, ะที่มีพิษมากคือคือคือกามเนี่ยมีทุกมากเหมือนกับงูพิษที่มีทุกมากทำไมเปรียบกามกับงูทำไมเขาชอบเปรียบงามกับเปรียบกามกับงูเพราะส่วนใหญ่เนี่ยงูเนี่ยนะเราไม่รู้นะว่ามันมีพิษหรือว่าไม่มีพิษแต่คนเนี่ยกลัวกลัวอะไรกลัวมีพิษ กลัวว่ามันมีพิษมากัดแล้วเราจะตายาแล้วรวมไปทั้งจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีพิษหรอกแต่มีพิษกับไม่มีพิษอาตมาไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าอย่างไหนจะมากกว่ากันมีพิษมันมากกว่าที่ไม่มีพิษแล้วก็ส่วนใหญ่ถึงตายด้วยนะพิษมันพิษแหลนส่วนใหญ่ถึงตาย เพราะนั้นเนี่ยก็เลยมักจะชอบเปียบเนี่ยเปรียบเรื่องการเนี่ยชอบเปียบกับงูไอ้พวกหมอดูพวกอะไรก็ฝันว่างูมาลัดอ่าก็เปรียบจะได้คู่จะได้เนื้อคู่ได้อะไรพวกเนี้แม้เขาก็ชอบไปเปรียบกับงูเพราะนี่แหละรวมไปทั้งนี่แหละกูงูมันชอบพันไงงูมันชอบพันมันชอบรัดเพราะเราไปรักใครชอบใครเนี่ยมันก็ชอบไปเกี่ยวพันชอบไปผูกรัด Thank you